พระธรรมรเทศนาแผ่นที่65าลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่22กรกฎาคม2554มีชื่อเรื่องว่าคิดถึงองค์หลวงตาและแนวปฏิปทาพาดำเนิน วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสองกรกฎาคมห้าสี่วันพุ่งนี้เป็นวันพระเป็นวันพระแรมแปดค่ำเดือนแปดเขา้าพรรษามาก็เนี่ยเจ็ดวันวันนี้วันพุ่งนี้กับแปดแปดวันอย่างที่หลวงปู่อุดมยานโมลีท่านคิดนั่นแหละหลวงตาจากไป ก็ห่างเหินกันไปเลยก็ไม่น่าจะถูกก็น่าจะยึดแนวแถวของหลวงตาภาพวกเราก็สิทยิอนุสิทธ์ทั้งหลายก็น่าจะเขาไปกราบไปคารวะสถานที่องค์หลวงตาที่ท่านถึงท่านจะจากไปแต่ธรรมะของท่านอยู่ในใจของพวกเราแต่สำหรับหลวงพ่อเอง คำว่าหลวงตามรณาภาพหรือหลวงตาถวายจรีละพระราชทานเพลิงองค์หลวงตาพูดขึ้นมาทัา้งลมันตะกิดตะขวงดึกๆอยู่ในใจใคล้ายๆว่าไม่มันยอมยอมรับยังไม่ได้ลักษณะอย่างนั้นแหอขนาดหลวงพ่อนะแต่คนอื่นสุทธายญาติโยมที่รักเคารพในองค์หลวงตาจะขนาดไหนวะ ขนาดหลวงพ่อปฏิบัติมาเห็นว่าอนิจังทุกขังอนัตตาพิจารณาทุกวี่ทุกวันขนาดนี้หลวงพ่อพอมาคิดถึงองค์หลวงตาแล้วก็มันกระเทือนกระเทือนใจหลึกๆไม่อยากจะพูดว่าหลวงตามรณาภาพหลวงตาจากไปถวายพระราชทานเพลิงองค์ศรีระของหลวงตาแต่มีมีแต่พูดได้แต่ว่าเออหลวงตาจากไปแล้ว ลงตาจากไปแล้วถึงพูดคํานี้ก็เถอะก็ยังก็ยังคล้ายๆเหมือนลงตาไปต่างประเทศหรือว่าไปต่างจังหวัดลงตาจากไปแต่ลงตามราณะผ้ า, าหรือลงตาดับขันแล้วนิพพานแล้วอย่างนี้รู้สึกมันกระเทือนใจกระเทือนใจเล็กๆไม่อยากจะพูดคํานี้ออกมา แต่จะทํำยังไงได้พรามันเป็นไปแล้วโลกอนิจังในครั้งพุทธกาลหลวงพ่อว่าพระพุทธเจ้าพริริเนปานพุทธสาวกทางหลายทั้งฝ่ายพระสงฆ์ทั้งยังมีกิเลสอยู่ยังมีโลภโกรธหลงอยู่แล้วก็อุบาสกอุบาสิกาทางหลายที่ได้พบได้กราบไปไหว้ แสดงความเคารพ บ, บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงกระเทือนใจไม่ใช่น้อยเหมือนกันในยุคสมัยนั้นเนีย่ยเรืองจะว่าฟ้าดินถลม่มแต่ขนาดองหลวงตาของเราเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันทําให้พวกเรากระเทือนใจอย่างมากๆแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเมื่อเรา เข้าไปแต่ละครั้งอพอหันหน้าเข้าไปหันหน้าว่าจะไปบ้านตาดไปขเขาไปกราบไปวัดหลวงตาเท่านั้นมันรู้สึกว่ามันมันเย็นจะเยือกในใจไม่ใช่เย็นด้วยความอบอุ่นเย็นด้วยความผาสุกไม่ใช่นะมันเย็นจะเยือกมันเย็นคล้ายๆกับว่ามันยังไงเย็นไม่มี เยื่อใยเย็นไม่มีความอบอุ่นในจิตใจแต่สมัยก่อนพอหันหน้าเข้าไปวัดป่าพันตัดไปจะพบท่านจะกราบท่านจะได้ถามไทยอะไรท่านให้จะถวายอะไรท่านอย่างนี้จิตใจมันกล้ใกลก็ว่ามันอู่เล็กๆมีความกระยิมยิ้ ม, มย่องในจิตในใจพอเข้าไปกราบไปเห็นองค์ท่านแล้วก็ท่านพูดทักทายถาม จากนั้นท่านก็ได้ให้โอวาทธรรมะให้ฟังพอได้ยินคำสองคำเท่านั้นแหละเป็นที่พอใจภาคภูมิใจพอได้เห็นองค์ท่านแต่บัดนี้เรื่องเหล่านั้นห่างหายไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วมีแต่ธรรมะที่ท่านให้เป็นโอวาท ที่ท่านแนะนําสั่งสอนเป็นโอวาทธรรมของท่านยังประทับอยู่ในจิตใจของพวกเราถ้าว่าผู้ที่ไม่มีหลักจัดหลักจิตหลักใจไม่มีหลักธรรมในใจต่อไปก็จางค่อยจางๆหายไปได้เหมือนกันพอเหตุว่าไม่ได้ตอกย้ำํำไม่ได้พูดไม่ได้ย้ํา ถ้าว่าผู้มีหลักใจอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาพอฟังได้แล้วก็เออถึงองค์หลวงตาจะจากไปแต่ธรรมะของหลวงตาเนี่ยยังคงเส้นคงวาเราเปิดขึ้นมาฟังเมื่อไรหร่ด้วยว่าอ่านหนังสือธรรมะของหลวงตาเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็ยังถึงจิตถึงใจของเราเรานำมาประพฤติปฏิบัติก็ยังเห็นผลอันนี้ เล่ายึดทำคําสอนขององค์ลงตาแต่ยึดสรีระของลงตานั้นยึดไม่ได้แล้วเพราะท่านอยู่ในกฎอนิจจังแต่ยึดธรรมะของท่านเนี่ยนี่แหละนามาประพุทธปฏิบัติถ้าจะว่าตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ถูกต้องเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า การเข้าไปกราบไปไหว้ไปถวายเครื่องสักการะบูชาหรือถวายจจตุปัจจัยในองค์หลวงตาอันนี้นเรียกว่าอามิชบูชาอามิชบูชาคือบูชาองค์หลวงตาด้วยจจตุปัจจัยของใช้ต่างๆอาหารการบริโภคผ้าอง่หมอย่างเนี้ยอย่างหลวงพ่อแต่ละปีเนี่ยก่อนเนี่ยตัดผ้าลายไป ปีละสองชุดบางครั้งก่อนเข้าพรรษาชุดหนึ่งแล้วก็ออกพรรษาประมาณเดือน12บสองเพนต์ต้นๆ น, น, นั่นน่ะไปถวายอีกชุดหนึงสังฆาติจีวรฉบงอังสะเ ย, เย็บได้ขนาดไปถวายท่านแล้วก็จะถูกปัจจัยในวัดของเราที่เกิดมีขึ้นเราก็ถวายตามการช่วงไหนที่มันมีมากเราก็ถวายมาก ตรงนที่มันจ่อมเยาว์แล้วก็ลดลงอันนี้เราก็ถวายวงหลวงตาสม่ำเสมอมาตลอดอันนี้เรียกว่าอามิชบูชานะบูชาโดยอาภิษนะแต่บัดนี้อามิชบูชาในหลวงตาเขาคงจะบูชาพระธรรมคําคสอนของท่านนะท่านมีแต่จิตุปัจจัยเข้ามากับเพื่อทะนุบำรุงสถาในวิทยุของท่านหรือ สร้างพระเจดียด์ถวายท่านไม่ใช่ถวายท่านนะสร้างเจดียด์บูชาท่านแล้ก็เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลพวกเรานี่ยแหละอันนี้ว่าอามิชฌาบูชาส่วนปฏิบัติบูชานั่นก็คือพวกเรานำนำทำคำสอนที่ท่านได้สอนเอาไว้เรื่องกฎระเบียบเป็นยังไงเรื่องวิ น, นัยศีลวินัยเป็นยังไงที่ท่านพาดำเนินมาเราก็ต้องยึด ตามแนวแถวที่ท่านพาดําเนินนะเพื่อจะเดินทางไปสู่มรรคสู่ผลแต่ถ้าพอพวกเราไม่เดินตามแนวแถวเนี่ยเราจะไปกระโดดถึงผลเฉลยก็คงเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกับเราเดินเราจะเดินทางไปกรุงเทพเนี่ยเราจะกระโดดไปเลยแหมมันต้องมียานพิเศษต้องเดินตามแนวตามแถว หรือจะขึ้นเครื่องไปก็เถอะมันก็ต้องเตรียมตัวขึ้นเครื่องถึงจะเดินทางไปก็คือการเดินทางจึงจะถุดจุดถึงจุดหมายปลายทางอันนี้ก็ต้องฟังทำคาสอนของท่านอีกเหมือนกันพูดถี่จะเดินทางพวกทันธาพินยาพวกรู้ได้ช้าเดินอย่างไรพวกกิบ ป, ปะพิญญาพวกเดินด้วยปัญญาเดินอย่างไร อันนี้ในธรรมคำสอนขององค์หลวงตาที่ท่านก็สอนไว้หมดท่า น, นให้พวกเราฟังและก็ศึกษาและก็นำมาประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่นำมา ป, ปฏิบัติมันก็เป็นธรรมคาสอนของท่านอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเรานำมาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของเรากบบจะเป็นสมบัติของเราไม่ใช่สมบัติของท่านนะท่านไม่ได้อะไรจากเราแตท่านมีแต่แนะนำสั่งสอนพวกเราคนํำมาปรับปรุง กายวายใจใจของเราเป็นสมบัติของเราเหมือนสับท่านชี้บอกว่านั่นน่ะขุมทองอยู่นั่นนะทองคําอยู่ในหลุมนั่นนะไปไปขุดนะแต่ถ้าเราไม่เชื่อท่านเราเฉยเราก็ไม่ได้ทองแต่ว่าเมื่อทนวัดหลุมทองอยู่นั่นนะเราก็ไปขุดขุดทองทองที่ได้มาก็เป็นสมบัติของใครท่านก็ไม่ได้ท่านมีแต่ชี้ ชีบอกกลุ่มทรัพย์ให้เท่านั้นเองที่ได้มากก็คือเราเป็นผู้ได้นำมาใช้สอยเป็นจุบัติของเรานี่ก็เหมือนกันทาคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมิจะบอกผลทางให้เท่านั้นเองว่าปฏิบัติยังไงรักษาศีลอย่างไางไอันดับแรกเราเป็นบวชเราบวชเป็นพระใน ปฏิปทาของของท่าน ใ, นในหยดน้ำบนใบบัวของท่านหรือวิธีการบวชของท่านเป็นอย่างไรแต่เมื่อมาเมื่อท่านได้บวชแล้วท่านได้สำเร็จมรรคสาเร็จผลแล้วท่านก็นมาสอนพวกเราอีกวิธีการปฏิบัติทำยังไงให้มีศีล น, นะแต่หลวงตาที่ฟังฟังดูแล้วท่านจะไม่เน้นเรื่องศีล มีแต่หลวงพ่อนะเน้นเรื่องกฎระเบียบมากที่หลวงพ่อสอนนะแต่องค์หลวงตาท่านมีแต่เรื่องภาคปฏิบัติเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องกิเลสกับใจใจกับกิเลสกิเลสกับใจใจกับกิเลสเราจะได้ยิงอย่างนั้นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสมาธิท่านจะเน้นเรื่องสมาธิไปเลยท่านบอกว่าเรื่องศีลเป็นเรื่องของรู้ได้เห็นได้ ถ้าเวทเสียแต่ตัวเองดื้อด้านไม่เชื่อดื้อด้านแล้วก็ทำทำความชั่วเสียหายอันนั้นก็ช่วยไม่ได้กระทงที่รู้เพราะศีลและวินัยอยู่ในตํำรับตาราอ่านดูรู้น ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะตำรับตาราเป็นยังไงศีลไม่ใช่ของลึกลับศีลเป็นของตื้นศีลเป็นของเมื่อเรียนรู้แล้วก็คือรู้ส่วนสมาธินั้นมีชั้นเชิง ต้องอาศัยครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนําแต่ลําพางอ่านสมาธิตั้งใจมั่นเขาว่าตั้งใจมั่นคําไห่ตั้งอย่างไงตั้งใจจึงจะมั่นมันต้องอาศัยครูบาอาจารย์เป็นผู้ชี้แนะชี้นาวิธีการเข้าสมาธิวิธีกําหนดจิตกําหนดใจมีสติสัมปชัญญะในจิตใจอย่างไรอันนี้ต้องอาศัยครูบาอาจารย์เรื่องสมาธิเพราะนั้นหลวงตา ท่านยังไม่ได้เน้นเรื่องสินเท่าไหร่พวกเราให้ศึกษาดูที่หลวงพ่อได้พูดอย่างนี้ให้ฟังแล้วให้พวกเราฟังแล้วก็อ่านก็ได้หลวงตามไม่ได้เน้นไม่เหมือนหลวงพอ่อหลวงพอ่อจะจะพูดเรื่องสินี่ละเอียดพอพราะเห็นว่าทุกวันนี้เหมือนกับคนมองข้ามลักษณะอย่างนั้น่ะมองข้ามเวียงค้อนข้ามมะม่วงลักษณะอย่างนั้น่หลวงพ่อก็เลย ให้ถอยกลับมาให้กลับมาให้ดูความพร้อมของศีลถ้าศีลดีแล้วสมาธิก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายถ้าวัดศีลของเราไม่ดีเรามีแต่วังสมาธิไม่ได้สัมพวมกายวาจาให้เรียบร้อยซะก่อนมีแต่เอาใจอย่างเดียวโดยมากมันจะลักลั่นหรือเปล่าตุปัตตุเปตุรกทุเลมันไม่ราบเรียบเพราะนั้นหลวงพ่อจึงให้กลับมามอง ดูสินสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยแล้วนั่งสมาธิสมาธิก็จะไหลลื่นไปเมื่อสมาธิดีแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาได้นำมาพิจารณาทางด้านปัญญาปัญญาก็จะเป็นปัญญาที่แท้จริงเพราะเหตุใดเพราะว่ามันไปตามขั้นตอนแต่หลวงตานี่ท่านบอกว่าสินเป็นหน้าที่ของพวกเรารักษาอยู่แล้ว ศินห้าของโยมคืออะไรก็รู้อยู่แล้วศินห้าสินอุโบสถของโยมก็มีหน้าที่รู้อยู่แล้วศึกษาไดเสียมันไม่ยากเรื่องศินแต่เรื่องสมาธิเนี่ยทำจิตใจอย่างไรจะเอาชนะใจอย่างไรใจมันปรุงฟุ้งอย่างไรแล้วจะเอาให้มันอยู่หมัดนะจะเอาอย่างไรคิดยังไงกําหนดอย่างไรบริกรรมยังไงเอาสติเข้ามาจับอย่างไรสติสัมปชัญญะเนี่ยเอามาบางับางบังคับใจอย่างไรน อันนี้โรงตาจะเน้นเรื่องสติสมาธิจากนั้นก็เดินวิปัสสนาปัญญาเนะี่ยพิจารณาอย่างไรจิดๆเป็นจึงจะเกิดว่าปัญญาเนะี่ยท่านพิจารณาร่างกายพิจารณาเกศากรรมฐานห้าพิจารณาร่างกายให้เป็นของไม่สวยงามเป็นอสุภะอย่างนี้หรือว่าพิจารณาความรู้สึกใจกับกายกายกับใจ ใจของเราไปสัมผัสเรื่องของกายไปยอมเรื่องของกายกายกับใจใจมันคิดว่าร่างกายเป็นของของเราเป็นของเราโดยแนบแนบเนียนแนบนิ่งแนบสนิทจริงๆว่าร่างกายนี่เป็นของตัวเองคือมันแยกไม่ออกอันนี้แหละทมคําสอนของพระพุทธเจ้าให้นั่งสมาธิเมื่อจิตใจของเราเป็นสมาธิจิตใจรวม สงบลงไปแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจนั้นไม่ใช่อันเดียวกันนักมันแยกกันนะถ้าจะแยกแยกให้เห็นชัดเจนนะนะกายกับใจเพี่ยงตัวหมใจของเราเนี่ยบังคับร่างกายหรือว่าเอาร่างกายเป็นลูกน้องผลที่สุดก็เลยมันแยกไม่ออกก็เลยว่าลูกน้องกับตัวเองตัวเองกับลูกน้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกายกับใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ กับกายที่แท้นะั้นไม่ใช่นะพอร่างกายแต่ตายสลายท่านใจก็ออกจากร่างไปสู่ภพภูมิต่างๆถ้าอยากจะรู้จุดนี้มีแต่สมาธิเท่านั้นถึงจะรู้ได้จากนั้นเมื่อมีสมาธิดีแล้วก็เดินปัญญาวิปัสนาแยกแยะดูใจของเราไปหลงกายร่างกายมันไม่ใช่ ของจิร่างถาวรนะใจนะสอนใจใจสอนใจความรู้สึกสอนความรู้สึกร่างกายเนี่ยนะอีกสักวันหนึ่งนะใจนะจะต้องแตกสลายนะจะไปเสียใจกับกายนะถึงคราวมานะันน่นถึงคราวมันนะมันจะต้องไปตามสภาพของมันนะใจนะอันนี้คล้ายๆก็เบรกใจของตนเองก็ว่าได้หรือทำจะถือเราทําความเข้าใจกับใจก็ว่าได้สอนใจก็ว่าได้ เอาธรรมะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนไว้แล้วมาสอนใจนํามาพิจารณาแล้วก็สอนใจจริงนะทำคําสอนของพระพุทธเจ้าทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สอนไวนะ้น่ะจริงไหมใจใใคล้ายๆว่าให้ทำยกธทำคําสอนแล้วก็มาสอนตัวเองนี่แหะจากนั้นกับใจของใจของเราอาศัยการฝึก การสอนการครบทรวนการกรองไตรตรองเหตุและผลย้ำแล้วย้ำอีกเขี่ยแล้วเขี่ยอีกกำหนดแล้วกำหนดอีกตรวจแล้ ว, ตร ว, ลวตรวจอีกขี้คลายและขี้คลายอีกอมันไม่ใช่ของธรรมดานะใจกับกายเนะี่ยมันติดกันมาไม่รู้กีก่หมื่นกี่แสนชาติแล้วเกิดมาพบใราชาติได้ก็ไปด้วยกันอยู่อย่างแต่มาชาตินี้เราจะมาแยกกันแยกกายออกจากใจแยกใจออกจากกายนะไม่ใช่ของง่ายเลยท่าน อแต่ทั้งแตจําเป็นก็ต้องแยกถ้ามาแยกมันหลงถ้าไม่หลงมันไปไหนไม่ได้เพราะนั้นจึงพยายามแยกจิตอกจากกายแยกกายออกจากจิตจิตใจให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อจิตใจเห็นตามความเป็นจริงจริงแล้วจิตใจก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายใจก็สลัดทิง้งกิเลสราคาโทสามโมหาออกจากใจใจบริสุทธิธ์เนี่ใจเป็นอมตะธาตุเป็นอมตะธรรมนี่แหละ อันวายใจบริสุทธิธ์แปลว่าพมมจัจจร์จบแล้วเป็นพระอาเค่ะผู้ไม่ต้องศึกษาอีกแล้วจบจบพมมัจรย์ น, นะแปลว่าจบบริบูรณ์อันรับพรนมโมตนาให้พร